อีกไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปมีแฟนไหมหนุ่มก็บอมีครับอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันเจอแบบนี้ข้อแก่หนุงวคนนี้ก็เลยกราบหลวงพ่อเลยลา ก, กับไม่ถามต่อแล้วเลื่อนโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่งนะ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 สักวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะไปจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดแบบนี้นะเขาได้กำไรแล้วนะได้กาไรแล้วอยากให้เราเนี่ยได้กำไรแบบนี้บ้างอย่าเอาแต่ทุกทุกนี่นะไม่ได้มีไว้คล่าครวนนะทุกมีไว้ใคร้ครวนทุกมีไว้ค ร, คร่ครวนคล่ำครวญกับคล่ครวนต่างกันนะส่วนใหญ่นี่ทุกแล้วคล่าครวนแต่ถ้าคุณทุกแล้วเนี่ยเช่นพัดพากสูญเสียของหาย